بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقمة للمتقين و ل ا ع د و ا ن إلا ع للظالمين ى ا وأصلي و س ل م على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيبان بينك طن نعوي وأن ب ر ز ت ت س ت ในปฏิทินอิสลามก็คือสิบวันแรกของสุริยจซึ่งความปลื่มของผู้ศรัทธาในการใช้ชีวิตในสิบวันแรกก็ไม่น่าจะน้อยกับความปลื่มความรู้สึกที่จะยู่ในบุนคุณของ Allah سبحانه และอาณาจที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในดรงอรุไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกั่าความปลื้มในการใช้ชีวิตด ร, รมอตนเพราะเวลาของสิบวันแรกนี้ก็เป็นเวลาสมคัญที่สุดเวลาทองของผุ้สัตว์เอ๊ทำไมดูรมอตนเราจึงงดการเก่นตับซีร์และสิบวันแรกทำไมไม่งดบ้างละ่ะในเมื่อสิบวันมัวาสาคัญเหมือนรมอตนไม่น้อย ทำไมไม่งดนบังล่ะเพราะสิเพราะเพราะเดอร์โมดอนมันมีภารกิจละหมาดเกลมุลลีลซึ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญละหมาดยะมาและการจัตตารางก็ค่อนข้างจะยากจะมันจะชวนกันแน่นอนก็เลยงดการเรียนทฤษฎีแต่สิบวันแรกนี้ ไอบาดาในการแก้พวกนี like, Allāh, ้ก็ย sa ังยังยังเป็นเป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันนะนะแต่ไม่จาเป็นต้องะมาต้องละหมาดตรวเหมือนเดรัมอดอนจึงไม่อยากจะพลาดอันที่จริงเดรมอดอนนก็ไม่อยากจะพลาดที่จะเรียนสนตัฟซีร์เหมือนกันนะครับเพราะเราก็เรียนรู้ตัฟซีรอุดานี่ยมันก็สอดคล้องกับสงปารงของเดรออน คือฟื้นฟูฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานใคลควรเตร็ดอัลกุรอานแต่อุปสคก็คือเรื่องกิจวัตรสำคัญของดวงมังกนเรื่องละมาตตวยนันละจึงขอให้การเรียนรู้ตัฟซีรของเรานี่ก็เป็นอิบะาชนิดหนึ่งองคก็ขออุดมอัลลอฮฺ س ب ح ละเสมอให้การเรียนรู้การสอนตัฟซีรเนี่ยเป็น อามการงานที่มีความหวังมากที่สุดในชีวิตเพราะการอ่านคุอ่านอย่างเดียวใช่มีความประเสริฐและผลบุแต่บางทีเราอ่านอ่านโดยที่ไม่ได้ใคล้ควรอ่านหรืออ่านไม่เข้าใจเนี่ยมันห่างจากวัตถุประสงค์ของการประทานลงมาของคุา แต่ที่เราเรียนรู้ดับสื่กันทุกครั้งเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยอาจะทุกอายันเราเข้าใจางลึกซึ้งและได้บทเรียนและให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ให้เราได้ตระหนักในในความสอดคล้องของอัลกุรอานกับวิถีชีวิตของเราว่า อะไรที่เราใช้ชีวิตนี่ยเราจะมีเราจะหาคําตอบในกุตตานได้การที่เราได้ทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไมไ่ไม่ได้เกิดบ่อยในชีวิตของเราไม่ถึงเราไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมาได้ทําแบบนี้หรือแม้กระทั่งการนั่งวงในมัธยีเรียนรู้กุตตานให้สอดค้องกับสิ่งที่ท่านในวิชชองนลลัตท่าลเราได้กล่าวถึงความประเสริฐนั้น กะทอว่าสร้างความหวังขอสมควรสมหรับพวกเราทุกคนนึกในใจเห็ะนะหมายถึงว่าสู้ดเราเป็นเป็นเหมือนพวกชาวถ้ำที่หนีฝนไปในถ้ำแล้วก้อนหินใหญ่นี่มาปิดปากถ้ำเขาก็บอกว่าจะไม่ ไม่พ้นจากเพันตรายนี้นอกจากว่าต้องขออุอาด้วยด้วยการงานที่มีความบริสุทธิ์ที่คาดหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอูดาลลาจะตอบรับ mm hmm. ผมคิดว่าการเรียนรู้และก็สนทั่ที่เรียนสม่าเสมอนี่จะนี่จะก้าวสู่พีที่สิบแล่จะยี่สิบ ลายรุ่นลายรุ่น t h ร o r e m theorem เรียนรู้ด้วยกันก็ตอนนี้ก็อยู่ในิคอปุ่กันแล้วคิดคิดว่าการที่เขามาเรียนตัดสกับเราเนี่ยเขาก็คงคงได้ปลื้มใจแล้วก็มีมีประโยชน์สําหรับเขาและคิดด้วยาะนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับเรา เราอยู่ในกูโบไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกไม่มีพี่น้องไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรคงจะมีอะไรแบบนี้แหะครับที่น่าจะสร้างความหวังบ้างนะครับสำหรับการงานที่เราค่อนข้างขัดสนยากจนมากหุ้นงานที่เรา ที่เราคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะช่วยพวกเรานีมันน้อยนิดเลยก็อธิษาต่อ Allah Subhanahu Taala ให้การเรียนรู้กุรานี่แหละเป็นความหวงที่ดีสำหรับสําหรับพวกเราทุกคนทั้งทงในโลกดุนยาและในคุโบและในวันเที่อามาด้วย์สุดายตัวบอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าดูประทานลงมา หลังสงค้ามตะบูกสงครามตะบูกนี่เป็นบททดสอบสำคัญถ้าสุรัตอัลบากรอถูกประทานลงมาช่วงแรกที่ท่านนาบีอพยพไ ป, ปอยู่มาดีนาและทานนบน้องจำได้นะคนที่เรียนสบบรุรบากรอกับเราบากรอเนี่ยเป็นกฎหมายก่อตั้งสังคมใหม่เรื่องวางรากฐานและแต่สุรัตอัตเตวบานีเป็นการทดสอบสังคมใหม่ ช่วงแรกของมัตินะยังชิวๆอยู่ยังไม่มีไม่มีปัญหาอะไรมากมายค่อนข้างหนักแน่นเป็นปึกแผ่นเดียวแม้กระทั่งคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามก็ยังไม่ได้เป็นภยัยยังไม่ได้เป็นภยัยเพราะเขากําลังเฝ้าดูว่าออมมุฮัมมัดจะมาไมไหนคนที่รับอิสลามใหม่นี่จะเป็นยังไงอะไรรียนอย่ายย ง, ยงเฝ้าระวังกันอยู่แต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ ไอ้คนนี้เขาคิดว่าโอยอย่างนี้อิสลามมีนจะทำให้เราชาชีวิตไม่ได้ทำยังไงเหนี่ยทำให้สังคมได้เกิดกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกเกันมูนาฟิตีนเนีกลมกกลุ่มสับหลักับกอกเนี่ยบิดพิวเนี่ยพวกนี้กลายเป็นไผ่เพราะอะไรตอนหน้าไหวไหวกาบไหวแต่รับหลังนีเขาวางอุบายวางทําลายสังคม สงครามตะบุกก็กลายเป็นเหตุการณ์ทุกข์สอบเอย่างไงพวกนี้จะเอาอย่างไงยืนข้างเคียงน บ, บีและสังคมหรือจะไปสนับสนุนสนับสนุนศัตรูอิสลามทางตรงหรือทาง อ, อ้อมทางตรงนี่ก็คือเหมือนเหมือนบางคนที่ไปอยู่ไม่มาอ ย, อยู่มาดีนาเล่ไปอยู่โรมันเลยไปอยู่กับ คริสเลบางคนก็เปลี ب ب ب ین ب ین ่ยนศาสนาเป็นคริสเล่ช่วงแรกเนี่ยก็มีมีสหภาะบางท่านน่ะนะที่ไปอพยพไปฮาวาชเนี่เพราะไปอยู่ที่นู่นหลงเลยหลงกับสังคมใหม่แล้วก็เปลี่ยนศาสนาจากอิศละเป็นคริสไปเลยก็มีหมดสภาพความเป็นสหภาพเป็นเป็นมุสลิมเลยก็หมดก็มีหรือทางอ้อม ทางอ้อมนี่ก็คือท่าทีจุดยืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับนบีกับสังคมอย่างชัดเจนแต่มันเป็นประโยชน์สําหรับศัตรูไปไปสู้รบกันไปสู้รบศัตรูที่กำลังบุกรุกบุกรุกพื้นที่ของเราเอาไม่ไว้ขา อ, อ ย, อยานี่ดีกว่า คือเขาไม่ได้ทักดาบมาสู้กันนะบีแต่การที่ชักช้าไม่ออกมาปกป้องแผ่นดินปกป้องสังคมปกป้องอิสลามนี่นะมันเข้าทางศัตรูฉะนั้นสุัตาว่านี่ได้ประกาศชัดว่าท่าทีของคนที่ไม่ออกไปสูร้ร่วมกับท่านนะบีซอลลัลหรือสลับคือกลุม่มที่เป็นศัตรูที่แท้จริงอุมูลาดุ แตจริงมันก็คือศัตรูที่ฉกาศและคำสั่งสอนในสุลต่ตนวาเนี่ยเริ่มอย่างที่บอกกับพี่น้องเอาที่แล้วเนี่ยเริ่มจากอายาที่40เป็นต้นไปเนี่ยจะไปในสองแนวแนวหนึ่งยืนยันในหน้าที่ของผู้ศรัทธาในการปกป้องศาสนาอิสลามแล้วก็อีกแนวนึงในการเปิดเผยและแฉพฤติกรรมคนที่ไม่ เต็มที่ไม่เต็มร้อยในการปกครองอิสสนาสมเด็จ <c oughs> จะเอาข้ออ้างของพวกมุนาฟิกีนทำไมไม่เอาไปส่งเอาข้ออ้างแล้วก็มาตอบโต้นี่แฉสาบาบางท่านจึงเรียก ah ซูรอนี่อันฟอดิฮะซูระอนซูระอนแฉแอแฉพฤติกรรมของมุนาฟิกีนแต่ส่วนมากนี่ <c oughs> สูร้นนี่นี่ยก็เรียกว่าสูอัตตาบ้าหนิเพราะเหตุการณ์ดิลขวันนี้ก็คือสหบาสามท่านที่ไม่ได้ออกไปสู้รบไม่ได้ออกไปสู้รบและถูกตำหนิเพราะกระทำสิ่งที่มันมันมันแย่ในสายตาของท่านนบีแต่เนื่องจากการพยายามของสหบาสามท่านนี้ที่จะกลับเนื้อกับตัวและการที่เราตอบรับของเขาจึงเป็นเหตุการณ์ที่ เกินคาดทผิดทำบาปมหันแบบนี้แต่ต่บาบ้าของเขาเนี่เขาชนิดที่อลุญาให้อภัยนี่นะ่แสดงว่ามันมันเป็นการกลับเนื้อกับตัวที่ที่ลึกซึ้งมากจึงถูกเรียกเป็นส่วนต่าบะข้อสังเกตในการตั้งชื่อสุรรอดต่างๆในบางทีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาส่วนมากของสุรรอดนะอย่างสุรอดอัลบกอร่า สองปดสบกว่าอาะมีเรื่องหลักการต่างๆอะไรมากมายสุรเรื่องบกกร้อนเรื่องวัวนั่นนะที่ที่สั่งให้อยู่คาคาเชื่อ น, นี่นะก็ประมาณสิบสบห้อายะจาก280อิบอายะตั้งสุรทั้งสุรเชื่อบรอนนี่เพราะความประหลาดของของเรื่องเรื่องเรื่องแปลกจริงแต่มันก็เป็นสัญญาณถึงเรื่องอื่นด้วยของ ขอชาวมโนสโรอินชาวยูวนเรื่องฝ่าฝืนเรื่องอะไรต่างๆแต่สูตัวบ้านนี้มันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะให้เราได้ศึกษาจิตวิทยาของของมนุษย์กับเกาะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาคณะจิตวิทยาทั่วโลกไม่มีไม่มีวิชานี้นิสัยคนกับกนิสัยมนุษย์อะ พฤติกรรมคนกับกอกไม่มีนาวัยหลังหลเลยไม่มีเขาไม่ได้ศึกษามันเพราะอะไรทําไมมนุษย์จะต้องจะต้องถึงขนาดที่เอาศา ส, ะสะนามาบางังศา ส, ะสะนามาบังพฤติกรรมเลวทรามของตัวเองเอาศา ส, ะสะนามาบางังบืงความตดำช้าการปฏิสธิศรัทธาถึงขนาดนั้นนะ่ะ ข้างนอกเป็นมุสลิมข้างในเป็นกาเฟสอย่างนี้ขนาดนั้นนะข้างนอกสนับสนุนนบีแต่ข้างในเนี่ยเชียร์กาเฟสเชียร์ศัตรูอิสลามอยงอะไรที่ทําให้คนบางคนนถึงขนาดที่จะทําแบบนั้นนันี่เป็นเคสตัศดีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากไม่ไดเอามาศึกษาเพื่อจะได้ขุดคุยนั่นน่นนคนนั้นนั่นเฮ้เหมือนเลย เหมือนในอุบายอับดุลสลูนนี่คนนี้เนี่ยเหมือนเลยเหมือนเด็ดเลยมุนาฟิกคนนั้นน่ะเราไม่ได้ศึกษาจะได้กล่าวหาคนอื่นแต่เราศึกษาจะได้ตรวจสอบตัวเองใช่ตัวเองมุนาฟิกหรือเปล่านี่คือบทเรียนที่ซาฮะได้ได้มาจากสุรานี้สุรานี้เนี่ยหนึ่งในชื่อบอกว่าชื่ออัตตะบานมีกับสิบกว่าชื่อนะ ในชื่อของชายาของซูรานีอัลมุเซลซิลเป็นซูร่าที่สร้างแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในมดีนานี่สะเทือนไปเลยทาไมพวกมุนอิกนี่หวั่นกลัวกันหมดเลยเฮ้ยอันนี้พูดถึงชันหรือเปล่าอันนี้กูปล่าหวั่นกันหมดเลยรวมถึงซาฮบะด้วยนะซาฮบะที่บสุด เนื่องกว่าซรานี่ขยาเลยนะทุกคนในสังคมเนี่ระแวงว่าตัวเองใช่หรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เป็นเป็นจุดแข็งของสูรานี้แล้วก็ซร่อื่นในคุรานว่าไม่ได้เอ่ยชื่อมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวพฤติกรรมบอกว่าหัวมินหววุ่มหวมินหุมแล้วก็ส่วนหนึ่งของพวกเขาฮอมูนาฟิเนี่ยเขาจะกลายอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งขพวกเขาก็จะกลายรู้พฤติกรรมนี้เ อ, อือยยัน แต่ไม่เอ่ยชื่อแม้แต่คนเดียวแต่คนที่ทํานี่คงรู้ตัวแน่นอนคงรู้ตัวเน่ ย, นนยมีมีบางเหตุการณ์นี่บางเหตุการณ์นี่ที่เล่าถึงเรื่องพวกมุนาฟิกนะเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกมูนาฟิกนี่นะมาสารภาพกันนบนบีแล้วก็กลับเนี่ยกับตัวเขาบอกว่าตอนแรกนี่ไม่เชื่อคือลังเลว่นานบีมุฮัมมัดหรือว่านบีได้งไงพอเล่าได้รายงานเหตุการณ์ไป แลื่ที่เขาพูดที่เขาพูดรับหลังนะบีนะเขาบอกว่าเปา็นซาลาหกับนบีเรื่องนี้นี่แนะไม่มีใครรู้นอกจากเราสามคนสามคนในมาสาลากันี้ไม่มีใครรู้นอกจากเราสามคนมคนที่รู้นะ่ยต้องเป็นคนที่รับวายูจากขขเราสุขานะอาจารย์เลงเน่ยเนาะแต่อีกแนวหนึ่งที่แนวที่เขาบอกว่ามีสองแนวแนวที่จะแฉะพฤติกรรมของมูนะบีแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือยินยัน ในหน้าที่ในท่าทีของผู้สแาในในภารกิจปกป้องอิสลามเรงนี้สำคัญโดย่ฉพาะในยุคปัจจุบันยุคที่เราจะเห็นคนปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตัวเองปกป้องครอบครัวตัวเองปกป้องทรัพย์สินตัวเองปกป้องชื่อเสียงตระกูลของตัวเองพรรคพวกตัวเองพรรคการเมืองตัวเอง มากกว่าปกป้องจริงม่หมายถึงว่าถ้าข้าโดนนิดนึง่ะข้าไม่ยอมเียมัดนี่มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยแต่ข้าโดนนิดหนึงอ่ะหรือพวกพวกโดนนิดนึง่ะเทียมก็ขึ้นแต่ถสนาไีโดนนบีกลบลนือะไรเนี่ยอ้ยอดทนอทนเราอทนเนี่ย يا ن ي ا ت ن ا كآيات سيسأل بعد ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ا ن ف ر و ا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذ ل ك خير لكم إن كنتم ت ع ل م و ن ا ن ف ر و ا พวก جاو توم ا ออกไป عنهم ماذا ماذا يجتيب يو باد ย่ายึติดรัพย์ ส, ส, สินเงินทองทรัพ ส, ส, สินเงินทองเป็นนาเป็นสวนก็ทรัพย์สินเงินทองชาวมาดีน่าเนี่ยส่วนมากก็เป็นชาวสวนอิทธิผลผลิตฤดูเกี่ยวผลผลิตพวกเจ้าอย่ายึดติดดุนยาแต่จงออกออกตรงนี้นี่หมายถึงออกไปสู้รกบบ نبي อิมฟิรู จะเข้า่าอินฟิรูนีอินีอันนฟรนฟรนี่นนการการออกไสสุรบประกาศภาวะสมขางอินฟอินฟิรูนี่คาสั่งคำสั่งในหลักวินิจฉัยนี่ก็คือมีผลว่าเป็นวาจิตถ้าเป็นคำสั่งอวาจิตอินฟิรูต อ, อ, อขฟันวาทิกล จมออกไปกันเถอออกหมานีออกสูจช่วยนาบีไรรานามีทั้งผู้ที่มีสภาพว่องไวขีาฝันขฟาฝันนี่พะรุกขเอกพลภูมันนี่ขฟีฟคีีฟนี่ีเบาตัวแต่คนที่เบาตัวเป็นยังไงวายสั่งเี้เอารูปออเเดีทานจะสั่งเี้ไปแล az, GPU, بي, ้วสิาลัน และผู้ที่มีสภาพเชื่องชาชราน้ำหนักเยอะอ้วยนี่แหละทั้งหมดอ๋อแสดงว่าคำสั่งนี้ให้ไปสู้ออกไปสู้รบในสภาพที่ขี้เฝ้าันสะดวกค้่องตัวสิกข้หลังสภาพที่ลำบากไม่ค้่องตัวทั้งสองสภาพนี้ต้องออกไปสู้รบ เดียวจะมีอะไรนี่สุดท้ายเลยสําหรับอั่มาพรุณว่าลูกมาริดพรุณจะมีคนตั้งบ้านะมคนรวยอะไรอะไอารคนขาเป๋ถ้าเราไม่มีไม่มีข้อตําหนิใดๆถ้าเขาไม่ได้ออกไปสู้ออกก็พวกนี้นะก็พวกที่กนล่นเชียงชาเชี่งชา เขาไม่สะ ด, ดวกในการออกไปสูร้รบนะเก็อายานีอายานีเนี่ยตีความได้สองสองรูปแบบรูปแบรอะไรอายานีหมายรวมว่ากรณีที่ศัตรูนีมนะ่มาแล้ววะนะมาแล้วนี่มาเข้าหมู่บ้านแล้วเข้าประปตูบา้านแล้วแล้วเขาจะมาฆ่าเราจะมายึดทรัพย์เราจะมาข่มคืนเราจะาอันนี้ทุกคนต้องสูรงสส้รบเพราะบอกว่าทุกคนทุกครับ จะบอกว่าโอันไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวนี่ก็โดนสิจ่ะแต่ว่านีุ่งคนตุ้งออกคนแก่คนหนุ่มต้องออ ก, ก, อออกสู้รบคนป่วยสู้รบุรรมมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะรบด้วยก้อนหินด้วยไม้นี่ก็ต้องรบที่สุดนี่พมา่าศัตรูมาถึงแล้วอนะนอะต้องมีตายก็ตายอะแต่ตายในในท่าที่สู้มีย่อมมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมากกว่าตายในท่าที่ยอม <c oughs> ตายตายอยู่แล้วไงหรือเปอร์เซ็นต์สูงนี่าว่ า, วา ไม่น่าจะรอบฉะนั้นอยู่ในท่าที่ต่อสู้ดีกว่าท่าที่ยอมแพ้นสู้ในทุกสภาพสภาพลำบากหรือสภาพสภาพข่องตัวต้อสุ้หรืออายันนี่หมายรวมว่าในยามสงครามนี่ให้สู้ให้สู้สุดความสามารถแต่ถ้ามีใครที่ ไม่มีความสามารถเลยแต่นี้ไม่ใช่สภาพที่ศัตรูเข้ามาถึงบ้านถึหู่บ้านนะไม่ใช่อันนี้ว่าเราจะไปหาเขาเราจะไปหาเขานี่แต่าถ้าเราจะคล่องตัวหรืออาจจะลําบากนิดนึงออกซะแต่ถ้าหากว่าลําบากมากเลยหมดสภาพเลยอะนะอันนั้นะอ้ยาน่ที่จะพูดถึงว่าคนตาบอดคนขบเป๋คนค น, คนป่วยที่ลุกไม่ไหวเลยอันนั้นไม่ต้องออก ทำไมผมต้องอธิบายแบบนี้เพราะเราอาจจะพบในตำราทับเสียนี่วอาญานี้อ็นเฟรูคิแฟฟันโอศิาญาสิสเอ็นมันสู้มายถึงว่าถูกยกเลิกด้วยอาญาที่จะมาในสุราตัวางอย่าที่อัลลบอกว่าสอลอมฮารจุนลาอัลฮารจุนลาอัลมะริดฮารไม่มีดันสหรับคนตาบอดคนขาเปคน่วยที่จะไม่ออกไปสู้ ő, ที่เคยอธิบายกับพี่น้องแล้วนี่คำว่าแนวซึ่งมันซูขเนี่ยอายะที่ยกเลิกออายะตัวยกเลิกนี่ที่มีในคุร์อานแต่ไม่ได้หมายรวมว่าอายะนี่ทั้งอายะถูกยกเลิกแล้วการในคุร์อานนี่มีทั้งอายะนี่หรือมีหลายอายะนี้อยู่ในคุร์อานนี่แบบพิพิธภัณฑ์ให้มองดูเนี่ยเขาเออต้องบอว่าพิพิธภัณฑ์เข้าเออสวยนี่แต่ ใช้ได้ไหมของอันติกเนี่ยของของที่มีค่าที่อในวิทยาพันเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมถ้วยสวยๆอะไรเงี้ยอยู่ในวิทยาพันเอาไปใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ในคุร์อารไม่มีนะอายะที่สวยงามแล้วแต่แต่ไม่ใช้่มีประโยชน์อะไรอ่ะคําว่าถูยุกเลิกนี่ไม่ใช่ทั้งหมาทั้งอายะเลยนะอาจจะบางส่วนเออบางส่วนซึ่งในยุคสหภาพยุคตะลั่นนี่เขาจะใช้ ถ้ามีการยกเว้นนะ่ะนะยกเว้นเนะี่ยอันนี้เขาจะเรียกนะักการยกเลิกหมายถึงว่ายกเลิกบางส่วนที่อายานี่หมายถึงไม่ได้หมายรวมว่ายกเลิกอายาที่ทั้งหมดเลยละอายานี้ไม่ไม่ใช้เลยอะนะอันนี้ไม่มีในคุรานก็เป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺจะให้สฮาบะจะเอกฉันในการถ่ายทอดคุรานนี้และในคุรานนี้ยืนยันนะว่าคุรานนี้ฮะ ذلك คัมภีรีนี้มันมีข้อสงสัยใดๆหรือเราจะมีอายะที่มันถูกยกเลิกไปแล้วนี่มันจะมีไประโยน์แต่มันย่อมสร้างความสงสัยไงแต่ในเมื่อคัมภีร์ไม่มีข้อสงสัยแสดงว่ามันี่ใช้หมดแต่บางส่วนนี่อาจจะถูกยกเว้นไอ้ที่ถูกยกเว้นนี่นะสมัยสลับเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกกันมันซูหไายถึงเขาดูยกเว้นแต่เขาใช้คำว่ามันซูข แต่อุละบางท่านในรุ่นหลังนี่นะเขาก็บอกว่ามันสู้คนที่ถูกยกเลิกพอใช้คําว่าถูกยกเลิกเนี่ยมันก็สร้างความสับสนจะสร้างความสับสนแต่นี่เป็นคําศัพท์ที่สำับที่เขาใช้กันไม่ได้หมายรวมว่าจะยกเลิกคุรอศาน์แล้วก็ไม่มีไม่มีหมายถึงว่ามีคุรอศานแต่ไม่มีผลในการปฏิบัติในการพิจารณาเลยเนี่ยทีไม่ใช่สรุปแล้วอายานี้ไม่ถูกยกเลิกนะแต่บางส่วนนี่อาจจะถูกยกเว้น ไม่ต้องถูกบังคับในการออกไปสู้รลอินฟิรคิฟแฟริกีกอละในด้านขัดเกลาวของท่อนแรกของอรืญญ่องอินฟิรโคิฟแฟริกาทีก่อละนึกภาพสหาว่าในายุคนั้นในยุคที่เขารับคำสั่งจากอัลล์แบบนี้สภาพคล่องตัวหรือลำบากเนี่ยเขาขึ้นออกไปสู่รล แล้วคนที่ชัดๆแบบมุสุรมอยู่โดนข้อหาเป็นมุนาฟิกอันเชิญบริบทเนี้ยมาสวมกับบริบทสังคมในปัจจุบันอันใดที่เป็นเหตุการณ์ที่มุสลิมหรือศาสนาหนีเดือดร้อนถูกลิดรองถูกขมเหงเราต้องทำอะไรสักอย่าง ในการต่อสู้ในการดิ้นรนเพื่อปกป้องอุสลิมและก็ปกป้องศาสนาต้องทําอะไรสักอย่างหนี่งถ้าเรายังมีความสามารถ น, น, นี่นี่คือคําสั่งในอุษานที่ที่อลัลลอฮฺจะต้องสอบสวนเราในวันกียามาเน้นอัลสั่งไปแล้วเนี่ยลุกขึ้นกันออกออกไปต่อสู้เพื่อปกป้องอิสลามมีคําสั่งแล้วทําไมไม่ทำ เราต้องมีเราต้องมีขั้นตอต้องมีขั้นตอแตเรื่องนี้ที่จะทำให้อสลิมทุกยุกทุกสามัยเนี่ยมีขีรตีย็มีสักษีประทานโทษเนด็กเป็นมนุษย์ชนิดที่ถูกขี่คอขีอ่หลังถูกจุงจมูกประเภทเดียวและครับ โดนทุกตีตีหัวตีก้นดึงหางจูงจมูกอันนั้นคนบ่ะใช่คนบ้าถูกลากไถนาพอไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยทำอะไรเสือใช่คนบ่ะแล้มีคนบางสิ่เป็นแบบนั้นไีในปัจจุบันถูกใช้เต็มที่เลย พอได้ประโยชน์แล้วเชื่อทิ้งซะการลุกขึ้นต่อสู้โดยไม่ให้ใครอย่าว่าจะริดรอนนะไม่ใครคิดคิดที่จะคมเหงอย่าได้คิดนะว่าจะคมเหงไม่พร้อมอ่ะมุสลิมไม่พร้อมที่จะต่ำต้อยซมึมีมีมีสองช้อยสองทางเลือก ฮจรอรือดีเหตุคนเห็นสู้ไม่ได้ฮจรอเลยไปที่อื่นไปเลยแต่เรืองแบบั้นก็ต้องต่อสู้แต่แบบนี้เนี่ยไม่มีทางหรอกที่มุสลิมจะอยู่ในสภาพที่ตัตอยูยยหยมแบบไม่มีไม่มีความเสียเยีดหยามไม่มีเสียหายเลยนะศัตรูนี่ก่อนกนที่จะคิดจะเยียดหยามมุสลิมเนี่ยต้องเขาต้องเขาต้องคานวณก่อน เขาจะเสียหายถ้าเารู้ว่าเาเาเสียหายเนี่ยเาคงไม่คิดหรอกจะเหยียดยาอบูอยุบะลอันซ ари อบูอายุบซีขดีบุนซไซบนลิดจันแต่นรู้กันะอบูอยุบลอันซารีอะลฮัซรัดีชาวมัณฑนาชาวา ตะกูลข้ตะกูลของไอย้อยุมเนี่ยตะกูลบนุณนจารตะกูลบนรนณนจานีคือตะกูลเดียวของท่านอาเมนท่านหญิงอาเมนาใครอาเมนาฮะแม่ใครแม่ท่านอาเมนาท่านแม่เขาใจผิดนะ แม่คุณมนีบีนะคุณแม่ของท่านนบีเนั้นบาุนนัจาริก็ถือว่าเป็นสักมีศักด์เป็นน้านาของท่านนบีตอนาบีอยูพยบจากมาการี่มามาดินาเนี่นะทุกตระกูลในมาดินาเนี่ก็อยากจะให้นบีเนี่ยก่อนนี่จะสร้างบ้านก่อนที่สร้างมัสยิดเนี่ยให้มาพักที่บ้านเขาก่อนโดยเฉพาะคนเศรษฐีคนร่ำรวยที่มีบ้านใหญ่โตท่นี่าท่านี่านบีา่นมบ้านฉัน่บ้านโอ้ มันเป็นเกียรติตลอดกาลในประวัติศาสตร์คนนี้เนี่ยเข้ามาพักบ้านนี่แค่นายกผ่านหน้าบ้านนี่โอ้โหเป็นข่าวแล้วนับีเข้าไปพักประวัติศาสตร์แน่นอนนันบีขี่อูดใช่ไหมคนนี้ก็จะดึงอูดไป ไปบ้านวัน e on, ี้ก็จะได้นนั่นพวกก็เดาว่าปล่อยปล่อยมันอินน้าแบบมูระฟุตวนี้มันรับบัญชามันรู้ว่าจะไปไหนปล่อยแลยนะมันจะเดินจนไปนั่งหน้าบ้านอบูอายุบะลันซารีแลวมีก็ไปพักบ้านอบูอายุบะลันซารีตอนนั้นนะอายุบะมันบะมันซีซิบุกอยู่บะมันซซบ แต่โบยบหลังซาดีเน่สูรบกัทบทนบดุลเบทุกสงครามามันนะไม่ไม่เว้นมแม้แต่สงครามเดียวหลังจากนาบับดุลเสียชีวิตเนี่ยสงครามเดียวที่ท่านไม่ร่วมสงครามอื่นที่ซาบะทำนี่เขามดแล้วไปสู่รบมดกเลยยกเว้นสงครามครั้งนึงอะนะไม่พอใจผูน้นําทําไมผู้นำไอ้อูโศเป็นเด็กหน่อยไอ้ก็เลยไม่ไปแล้วเขารู้สึกสํานึกผิดสํำนึกบาปมาก ในครั้งที่ไม่ได้ออกก็สู้เรากไม่พอใจไม่ทักอึสำนึกสำนึกผิดมากแต่ถ้านออยยุบเนี่ยจะสู้รบไปเยอะตลอดชีวิตจนถึงอายุเนี่ยร้อยกว่าปีหนึ่งร้อยสองสามปีจินตนาการภาพนะคนอายุร้อยปีนี่แบบอยู่ในประเนี้ละสิ قال ันสิ قال ัเชียงช้างเดินในไงร้0ยปีเนี่ยเดินได่ไงอะ หลังจากที่เหตุการณ์ผิดหน้าระวังทนาลีกมอว์เย่เนี่ยสงบออออลงแล้วเนี่ยท่านมอว์เย่เนี่สั่งเลยให้ไปญ i h a ไปพิชิตมุกสตันตีนี้เนี่ยที่สต a m บ o u น่ยที่ห ล, ลังนี่แต่ไม่ประสบความสําเร็จนะสั่ง ไ, ไปพิิตอบูอายุไปเลยอายุร้อยปีแล้วน่ะไปเลยไปถึงที่โน้นน่ยไปล้อมเมืองอยู่เป็นเดือนจงรู้แล้วว่าไม่ไม่ไม่น่าจะสําเร็จสู้กันทุกวันแล้วก็ แข็งเกร่งอารมณ์มันแข็งเกร่งมากดูกันทุกวันไม่ไม่สำเร็จจนวันสุดท้ายเนี่ยอบุอายุเนี่ยเป็นแผลรู้แล้วว่าอาัารย์ละถึงอาจารย์ละตาละเขาบอกว่าขับขับขับลับแล้วไม่ไหวแล้วเพราว่าถ้าพวกคุณจะกลับก็ขับแต่ข้าพเจ้าจะกลับได้ไงอัลลอฮฺบอกว่าอินฟิรุขีฟ่แฟนโมสีกอนจะคล้องตัวหรือจะเชื่องช้าเนี่ก็ต้องสู้เอาอย่างนี้ พรนี้ขอเป็นวันสุดท้ายว่าคุณจะสู้แล้ะจะสู้ไม่ไหวอ่ะนะทิ้งศพฉันตรงนั้นน่ะแล้วก็กบกูโบอถนั่นแหละก็กลับไปไม่ดองไม่ดองสนใจฉันเลยแต่บริวรสอนอุโบสถของเขานี่อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สมบูรเป็นกูบสของซาฮาบะท่านเดียวนะครับที่อยู่ที่ยุโรปเพราะที่นั่นน่ยอยู่ที่ถือว่าส่วนหนึ่งของยุโรป ยุ่รปตาวันออกเนคนอายุร้อยปีนะแลวก็ยังถือว่าเขามีหน้าที่ในการในการทำาุรกิในการปกป้องอิสลามการออกไปเนี่ยไปสนองคำเรียกของท่านนบีสุลล่าอะลัยฮิวสัลเรื่องเล่าของซาฮบะนี่เอง ไม่หมดหรอกชาวบ้านที่โสดเพิ่งแต่งงานแต่งงานคืนแรกเลยนะคืนแรกน้อนกับเมียคืนแรกเลยเรียกจีฮา่นเลยเรียกจีฮั่นนี่ไม่คิดนะที่จะบอกว่ามมันเป็นคืนแรกของเรานี่นะมีคงคงไม่ว่ามนะั้ง นิดแล้ะออกไปสู่ร่มละก็เสียชีวิตในสวร่มก็หนึในสวนขามนั้นเสียชีวิตนาบีกขบอกว่าคนเนี้ยคนเนี้ยถามนี่ทำไมทําไมออกมาว่าเขาทำอะไรท่านนาบีเขาบอกว่าเห็นมาอะไรก็มาอาบน้ําจะนาบ้าให้เขาก็คือมันลบนอนกับปรารยาแล้วนี่ทูกเรียกงเจ้าหนี้ออกมายังไม่ได้อาบน้ําจะนาบ้าเลยนี่ ูกเรียกนี่เอ็มวีดูมาเยอะอะออกเลยไอ้ท่านจะอบนะสารภเบอกว่ามันกานะฟิลลาฮิดัลฟุกาานอัลลอฮิขัลฟุู้ได้เสียหายเพื่ออัลลอฮฺอัลออัลลอเองจะเป็นพูดทดแทนออกอาบน้ำจะนาบ้างยังไม่ทันเลยนะเลาส่งมาอะไรกัไม่ต้องถ้าเราทาเพื่อเพื่อเราเราไม่ต้องกลัวเรื่องบกพร่องนี่ไม่กลัวไอ้เมื่อเจตนาของเรา มั่นใจว่าเราทำเพื่อั l l ล h นี่เรื่องความบกพร่องนีไม่ต้องห่วงหรอกว่า a l l จะ่เราจะมาเจะแจะเราเนี่เหมือนเมือนสถาบันองค์กรมาเจาะจ็นี่หุ่นนั่เออ a l l a ไม่มีหรอคนที่จริงใจกับ a l l a นี่นะ Allah ให้อภัยหมดไม่ใช่อภอย่างเดียวนี่ทดแทนด้วยเยอะแยะนะซาบแบบนี้ที่สนองทำเรียกในการสู้รบในการอุทิศ ตัวเองนี่เพื่อเพื่ออัลลอฮ์เพื่อศา ส, ะสะนาอัลลอฮ์จึงย้ำว่าการที่จะออกจากบ้านเนี่ยเพื่อเพื่อสนองคำเรียกร้องเนี่ยต้องอยู่ในพื้นฐานของห ah ah um um ัวใจที่ดูหัวใจที่ดูมีอัลลอฮ์อิมริโอมูอับุสุสิกเรและต้องเสียสละทั้งด้วยทรัพย์ของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้าหัวใจที่ดูทำไมตรงนี้ ทำตรงนี้ใช้คาว่าเสียสลัเสียสลไม่คช้คว่ารองต่อสซ่เขาคือจิฮัดเนี่ยรากศั์ของจิฮัดเนี่ยจิฮด jahada รากสับของมันี h a หรือ a h a d a j a h i d a h แปลว่าออกแรงจนนิดเหนื่อยที่มาของการอธิบายคาว่า j a h a d a j a h a หมายถึงมีการ มีการออกแรงในการต่อสู้จนน็ดหนื่อยไม่ใช่ออกแรงออกแรงแบบไม่ใช่เล่นเกมห้าชั่วโมงเหนื่อยเกมห้าชั่วโมงเออเหนื่อยอไรงไม่ใช่ออกแรงแล้วในสิ่งที่มีสาระด้วยนะสิ่งที่มีสาระเข้ามาว่า อินฟิรูนีอินฟิรูนีมันมีความหมายของคำว่า jihad คือออกไปเนี่ยอินฟิรูพวกเจ้าจงออกไปกันเถอดออกไปเนี่ยคำว่านุฟูนี่ก็หมายถึงว่าออกไปต่อสู้ฮะว่าจฮิดูนี่มันก็เป็นการีใหม่ถ้าจะมามาแปลว่าต่อสู้นี่มันก็อาจจะซ้ํากับอินฟิรูแต่เนื่องจากคำว่าวะเจฮิดูเนี่ยไปผูกพันกับทรัพย์สินและชีวิตเนี่ย เขาก็เลยใช้คำว่าเสียสลักซหมาะเหมาะก็หมายถึงว่ารวมงงตัวว่าจะให้ดูและจงเสียสลักที่จริงถ้าเขา้าถ้าถ้าแปลว่าและพวและพวกเจ้าจงต่อสู้ด้วยด้วยนี่เพราะบีบ้อมด้วยคำว่าวบีเนี่ยจะแปลเป็นด้วยก็ได้ใหญ่ให้ดูนี่ต่อสู้ด้วยทัพย์สินและต่อสู้ด้วยชีวิต ก็แปลได้ก็หมถึงบมีก็ใช้ได้แต่ถ้าจะแปลด้วยคาว่าเสียสะนี่เออมันก็เป็นความหมายเนื้อหาเนื้อหาใหม่ที่ไม่ซ้ากับอินฟล์อินฟล์มตอนตอนแรกให้เสียสะาว่าเสียสะนี่หมาถึงวะเสียสละมาถึงวยินดีมเราเป็นหน่อยช่วยเข้าเหื่อยออก ชาวบ้านกว่าโอโหอุตสามามด้วยด้วยความยินดีครับอันนี้เสียสละโหนี่เสียเวลาเวลาทํางานแล้วก็มาช่วยฉันด้วยความยินดีครับเนี่ยก็เสียสละแต่ไม่ใช่ไปช่วยแล้วโอ้ขอบคุณมากอุตสาม์มาเออเสียเวลาในขนาดนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วอาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นวาจาอาจจะเป็นความรู้สึก มอบทรัพย์สินก็จริงมอบชีวิตก็จริงนะแต่ไม่ยินดีอุลเบลลัลลอฮุอะลัยซัลลัถูกถามว่ารุ่งยุคัดลุามีและยุคัดลุอัจจิมะนัมใครอยู่คฟีซาบิลคนคนหนึ่งต่อสู้เพื่อเกียรติยศตัวเองสักสี่ทไม เฮ้ถูกเรียกให้ยต่อส awesome> ู้ไม่ออกดีาหาว่าขี้ขาดักดิกศเดีาหาว่าขี้ขาดเดี๋ยวากลัวเดี๋ยวาหาว่าไม่กล้าไปสู้กับคูอริเดี๋วเขาดักษาศักสิ์มีถึกาดุลอัจฉิมอ๋อนี่ทัพย์เฉยนี่นะโอ้ยเท่าไปสู้สงครามีเนี่ยแต่เยอะเลยยอะทีเดียวเลยไอ้รวยเละเลยอะ ระเีดูกถามว่านสองคนนี้เนี่ยถือว่าต่อสู้ฟีซาบีแล้วไรีบอกว่ามันก็ต่ที่จะต้นกาลมาตุลอฮฮียะลยฟีซาบีนะคที่ต่อสู้ือให้รนามของอัลลอฮุฮุมซนีในอยะอนั้นที่จะตนกาลีมาตุลอฮีฮียะลุยยาว่าิมาตุเหล่านนคัฟุรุซุฟละอีซีซีีบล นบีบอกว่าใครที่ต่อสู้เพื่อให้พระดรัของอลสุบฮานาอัลลอฮฺสูงสุดแล้วเนี่ยนั่นน่ะคือคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลละนั้นเสียสละทรัพย์และชีวิตในสบีลิลลาฮยินดีมอบทรัพย์และชีวิตในหนทางของอัลลสุบฮานาอัลลอสัฮาบนี่เขาจเขาจะพูดอีกคำหนึ่งใชยินดีเดียวน่น ไม่ใช่พิธอินดีที่จะมอบทั้งพรย์และชีวิตนะเพราว่าอิสตอร์ฮัสูอรวรรน์เขาถือว่าที่เขามอบทั้งชีวิตและก็ทรัพย์ของเขาถือว่าน้อยที่สัมบัยโอ้ยนี้อันงนี้ยิ่งกว่าอินดีคือมอบแล้วก็ยังรู้สึกละอายด้วยคือเราเนี่ยต้นทุนของเรานี่ก็มีแค่นี้แหละ ทำมาเสียทรัพย์สินกับชีวิตต้องทุนก็มีแค่นี้แต่ถ้าเรามอบทั้งสองท่านทรัพย์และก็ชีวิตมีอะไรเหลือไหมไม่มีอะไรเหลือเลยแต่นบีบอกว่าสิบวันแรกเนี่ยประเสริฐกว่าคนที่ทำ jihad ในวันอื่นใช่ไหมยกเว้นคนเดียวขอนจะมี نفس ีว่มามัลลีเฟลมยศจากในนั้นกับบิชัยบอกไปสู้รบด้วยชีวิตและก็ทรัพย์สิสนแล้วก็ไม่มีอะไรจากสองสิ่ง น, นี้ กับบ้านก็หมายถึงว่าชีวิตหาไม่ทรัพย์สินหาไม่ก็หมายถึงว่ า, า, า, า, วาต้นทุนทั้งสองนี่บทเพื่ออะไรก็มาไปแล้วนะนะยังรู้สึกละอยว่า ม, มันนิดเดียวที่เราเสียเสียนะเพราะมันยังนิดเดียวนิสัยสหามาแบนี้เนี่ยเราต้องเอามาใช้ในทุกครั้งที่เราทําอะไรเพื่ออิสลามทำอะไรไปแล้วเนี่ย อย่างนี้โอ้โหมันต้องอย่างนี้มีคนที่เสียสละมันต้องแบบนี้นี่นักเสียสละจริงๆทมต้ น, น, นแล้วบอกว่าจะเทียบอะไรที่เราได้ทำเนี่ยเทียบอะไรกันคนรุ่นก่อนมอบแล้วก็รู้สึกในใจแล้วมันจะพอหรือที่จะให้เราได้เข้าสวรรค์ได้เราต้องมีความรู้สึกทองต้นตลอด ครั้งที่เราได้ทําอะไรไวิสลักในการเสียสลัอเคปเคยใช้คำว่าเสียสละเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกนักเสียสละเราเราทำอะไรแต่บางทีในการเสียสละ a, มันมีเงื่อนไขายเยอะเช่นจะเรี่กวเสียสละจริงๆเมื่อเทียบแล้วเทียบแล้วระหว่างเสียสละเพื่อตัวเอง กับเสียสละเพื่ออิสลามสมมติว่าเราเสียสละเพื่ออิสลามชั่วโมงนึงชั่วโมงนี่เหนื่อยเต็มที่เลยเพื่ออิสลามหนึ่งชั่วโมงนะแต่เราก็มาเองบางทีเนี่ยเราเราไปฟิตเนสไปยิมเนี่ยไปออกกําลังกายเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเราจะได้มีกล้ามขุนจะได้ฟิต ทำแบบมีเพื่อเพื่อเพื่ออิสลามไมเพื่อตัวเองเนี่ยเราเสียสละเพื่อตัวเองเนี่เป็นพันชั่วโมงแต่พอเพื่ออิสลามหนึ่งชั่วโมงนี่โอ้ยนักเสียสละมันควรที่จะละอายมากกว่าเพื่ออิสลามมัเออทาให้อิสลามเอางูเราเสียสละเพื่อตัวเองเนี่ยหนึ่งพัน 1, ชั่วโมงพเพื่ออิสลามหนึ่งพันหนึ่งชั่วมโมงเนีเ่ ย, ะะยกก อ, Islam, อันนี้ฮ อ, อตที่ 1, 000, 1, 000นนนนจะ อพอที่จะเรียกได้ว่าเองนี่เสียสละผมมากกว่าคือรักอิสลามมากกว่าตัวเองหนึ่ชงชั่วโมงไอ้ยังพอได้บางทียังพอเรียกได้นะยังพอเรียกได้แต่นี่พออิสลามมีทำนิดเดียวนิดเดียวแต่พอตัวเองทราเต็มที่เลยเต็มที่เลยไอ้แบบนี้นี่ละอายมากกว่ามใจการที่เราต่อสู้ลุกขึ้นโดยไม่ลังเล ليس ي س ا ل عن سبل ش ي ي ت نهدر الله سبحانه وتعالى ذلك م ذلك نله خير لكم س ن ت ي د ي ي ن سأرى بوجاء ق إن ك ن ت و ت ع ل م و ا هاكوجاء هو ي س ا ل عن شئيتنا ن م د ي ي روم سمع بعدي نهدر ميجا بين سبعنا، سلوكان كه، نكاني بانقلم جم، والموت في سبيل الله ا س م ا أمانين خديمة، نشيلكمي كم رحم شغل، والموت في سبيل الله ا س م ا أمانين، والموت في س ب ي ل لك عن ت ا ن ه د ا ر الله اسماء أمانين سود ياتكم ق م ت و ن غ تمر، أشياء اللي เรา ت و ن غ เสียชีวิตตายในของดางเราใช่แต่มันไม่เสมอไปเพราะนาบีห้ามไม่ให้ไม่ให้วิ่งไปหาความตายไม่เราต่อสู้แต่ความตายมาหาเรานี่ไม่เป็นไรแต่ไม่อชีวิพรอจะวิ่งไ ป, ไปหาความตายเนี่ยนิเสดงว่าอันนี้ค่าตัวตายเราไม่วิ่งไปหาความตายเราต่อสู้ เพราะฉะนั้นอุลมะเขาบอกว่าตายในหนทางอันรอดเนี่ยมันไม่ใช่สุดยอดของความต้องการของเราเสมอไปเช่นเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามแต่คนที่กําลังต่อสู้เนี่ยเขาก็ต้องสู้หน้าที่ของเขาที่ต้อ ง, องสู้และปกป้องอิสลามถูกต้องไหมไม่ใช่หน้าที่ของเขานี่เอาดาบแล้วก็ทําดาบแบบนี้อ่าข่าฉัน อันนี้ไม่ใช่ถูกต้องเขาต้องสู้ใช่ไหมเขาต้องเออสู้ไอ้คนนี่บอกว่าถือดาบนะแต่ไม่ใช่เราเขามาฆ่าฉั น, ฉ, นฉันจะได้ตายเฉีดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ต้องสู้นะถ้าเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามนี่โอลมาจึงบอกว่าเราอยู่ในภาวะสงครามในการต่อสู้นั้นะเออตายในหนดางวอลนัทสุดยอดแต่ถ้าเราไม่อยู่ในภาวะสงครามนี่เราต้องใช้ชีวิตใช่ไหมเราต้องต่อสู้ ภาวะการต่อสู้ขณนะมีชีวิตอยู่และไม่มีความเสี่ยงแต่ด้านความตายนะเราก็จะเปลี่ยนอุดมการณ์หรือจุดหมายให้ของเราเนี่ยแทนที่เราว่าตายในหุ่นดางอลาสต์นี่ไม่ใช้ชีวิตในหุ่นดางอลาสตตายในหุนดางอลาสต์นี่หมายถึงว่าในในภาวะที่เกําลังสู้กันแล้วถ้าถ้าชาหีดนี่ก็เอาสุดยอดแล้วกันได้ ในขณะที่เราไม่ได้สรุปเลยก็ใช้ชีวิตแล้วยากะช้ชีวิตอย่างนี้นนได้แต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ใช้ชีวิตเปล่าก็ใช้ชีวิตในหนทางของเราเหมือนกันซึ่งมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าเสียชีวิตในหนทางอลลื่นอันนี้มีตับ่อันนี้มีตทวบ่งโดยทีพูดเอง เขาจะพูดเองเขาจะผมพูดเองอะนะพี่น้องไม่ต้องมานั่งฟังอย่างนี้หรอกไปนู่นน ะ, กะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็พูดเยอะนี่นะนั่งฟังนี่น่ะมีประโยชน์มากกว่ า, าผมพูดเองอะนะเพราะเขาก็พูดแล้วก็พูดทราบว่ามาะานท่านนะ่ะพี่น้องสองคนคนนึงเสียชีวิตในสมุทรภูเขชักฮีเลยนะอีกคนหนึ่ง ไปในเสียชีวิตในใช้ชีวิตต่อไปจากเขาเนี่ยอีกหลายปีและเสียชีวิตหลังจากนั้นเสียชีวิตธรรมดาใครดีกว่าใครอนี่ยนบีบอกว่าคนที่เสียชีวิตที่หลังประเสริฐกว่าเอ้าคือมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่น บ, บีสอนเขาว่าเออจีฮันนี่คือสุดยอดของอิสลามอยู่แล้วใช่น บ, บีหมายรู้ว่าตัวการกระทำเนี่ย คือเธอเทียบแล้วอสองคนเนี่ยตายในเวลาเดียวกันคนหนึ่งตายบนเตียงคนหนึ่งตายใ น, ในชัฮีนี่นะแน่ของคนนี้เนี่ยประเสริฐกวา่าแต่นี่กํลาลังถามว่าอีกคนนึงใช้ชีวิตหลังจากนั้นได้หลายปีนี่วะคนที่ตายที่หลังนี่ดีกว่าแน่นอนทาไมอ่ะถูกทําไมอ่ะน่าดีมกว่าอ้าวก็เขาอยู่หลังจากนั้นอ่ะเด็กที่สิ้นอดเด็กทำความดีเด็กเล่นทตี้ยอ่านคุตอน ก็ต้องสะสมผลล้บุญมากกว่ามากกว่าคนเดิมที่ไม่ได้อยู่ในฮะดีษนี้นะบทนี้นะแต่เอามาจากฮะดีษอื่นนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะใช่อ่ะหมาถึงว่าในคําตอบของท่านนบีเอาคนนี้อยู่ที่หลังเขาหลายปีก็เจอสิบวันแรกของสุลัยยะที่ในฮะดีษอื่นนี่นบีบอกว่าอดีกว่าจีฮัตเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้างได้อยู่สิบวันสุลัยยะหลายปีและทํา ทมความดีซึ้นดีกว่าจีรพดของกนนี้เคยได้ยนินฮาดิษใครที่ละหมาสุวิหีหลังละหมาสุวิหีจิกรุลล์จนตะวันขึ้นและลหมาส่งประกาเท่ากับละบุญเท่ากับทำให้ละอุโมร์สมบูร์สม บ, สมบูร์สุบูร์เคยได้ยนินฮาดิษไหมเคยทากันไหมเคยทาบ้างไหมทำละอุโมร์เนี ถมผมวาฮตีมีความขัดแย้งรงะหว่างอุลามะว่าเป็นฮาริตสวฮีฮาริตไม่สวะตอนที่ผมเชื่อเป็นหาริตสวฮีแนละ้วผมทงปฏิบัติโอ้ปฏิบัติบ่อย ด, ด้วยทำงานยุ่งรบฟีบ่แบบเนี้ยโอ้พี่เมียมด้วยมาเฉยๆอยู่ที่มัสยิดกลางบ้านเนี้ยมัสยิดมีติดแอร์ด้วยมีน้ำชาด้วย กระกรุ่นอไปอ่านกอ่านไปจิตน้าชาไปพตะวันขึ้นหน่อยหนึ่งอ่านละหมาดแด้ผลละบทให้ลบืมใจกันเหลือเกินสิบวันแรกนี่ท่านน บ, บีบอกว่าดีกว่าจีฮานะซึ่งจีฮานี่ดีกว่าฮาจลอมรอนะแต่คนรานี่ใช่เลย <laughs> ผมพูดถึงกระแสในสังคมในการนี้ในละหมาดแล้วก็รอให้ซิกุลอจะได้ได้ฮาจลอมรอนี่อันนี้กระแสนี่แรงดันนะ คนนี้สังคมมิคอบปฏิบัติอย่างนี้เยอะแต่การนี้จะใส่ใจทำความดีนะสิบวันแรกหวังว่าจะได้ผลลบุญที่ดีกว่าจิฮัดนะผมว่าไม่ค่อยเป็นกระแสะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแฮชแท็กใช่ไหมมิคอบจิฮนะัดอ๋อเอเออดูเป็นื่อเป็นเรื่อ ง, รอ ง, รองธรรมดาไปหน่อย Allah จึงบอกว่าไอเรืการที่เราตระหนักแลก้วก็รู้เนี่ยถ้าเราตระหนักแล้วรู้เนี่ยมันจะมีผลที่จะให้เราเนี่ได้ขับเคลื่อนชีวิตของเราสู่เป้าหมายที่เราได้เรียนรู้กันอิงกุนตุมตาละมูเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างการที่เราจะทํำอิบาร์นะอะไรเพราะเราเห็นคุณค่าของมันนะอย่างเรื่องซิกรุลม่อแล้ก็เราล ะ, ะ, ระมาดบูฮ า, าร ทำความดีสิบวันแรกของสุนทรียะหรือแสวงหาในอนาคตเนี่ยเพราเราเหินคุณค่าตระหนักในคุณค่าแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราเรียนรู้มันมีผลสําคัญมากในการที่จะให้เราได้มีความกระตือรือร้นสู่เป้ามาฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องการเรียนรู้การศึกษาใหูนเป็นเรื่อคัญสําคัญสุดขั้นตอนแรกที่จะให้ชีวิตของเรามีค่านี่คือเรียนรู้ คือการศึกษาคนหนึ่งเขาชงกาแฟเป็นกาแฟมีใครชงไม่เป็นกันเลยน้ำชาเทุกคนเนี่ยก็ชงเป็นแต่นี่ไปสมัครเรียนทำกาแฟในสี 40, ่4มื0นนะสี่มืนเพื่ออะไรเรียนชงกาแฟเจริงไหมล่ะ เรียนชงกาแฟแต่เรียนรู้เนี่ยแล้วเวลาเข้าตลาดวานนี่ไม่เหมือนชองกาแฟเหมือนชาวบ้านสีไม่ใช่โอเลี่ยงนู่ยมันคือเออแล้วก็ไอชื่อที่มันทําให้เราทึ่งไงกาแฟนะนี่นี่กับกาแฟานี่กับอเมริกาโน่ก็กาแฟก็วบูชิโน่ก็กาแ ฟ, าาฟาใช่ไหม แต่มันว่ามันชื่อชื่อเยอะหนูเยอะหนูบอูเมนูนูเยอะจังเลยกาแฟดังนั้นน่ะอันนี้กาแฟใส่นม อ, อันนี้นมใส่กาแฟ <laughs> <laughs> แล้วเวลามันเข้าไปอยู่ใ น, า น, น ก, กน <laughs> าแฟนี่มันกบืนกันหมดหละไอ้กาแฟนี่มันบอกว่านี่าลำดับลำดับกว่าไม่ม <laughs> ีหรอกนีเรียนสี่หมืนเมื่อเขาตระหนักแล้วอ่ะ การเรียนแบบนี้เขาจะซ้อมด้วยนะเวลาใส่สเสืส้อกันเปื้อนต้องเป็นแบบไหนต้องใส่แบบไหนเนี่คนสอนหมดนั่นละเทียยิบเลยเขาตระหนักแล้วยอมยอมควักสี่หมื่นไหยอมยอมซื้อไอไ้แลแฟนชายเป็นแสนเนะี่ยยอมไหมยอมเพราะอะไรเพราะตระหนักนะการตลาดนี่ให้คนเชื่อให้คนได้ตระหนักจริงไม่จริงอีกเรื่อง แต่สําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากในการที่จะสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาห์น บ, บนินะงงนะล า, าบอกเนี่ยเชื่อง่ายนะเหตุผลอก็เาบอกสําหรับผู้ศรัทธานะไม่ต้องไปผู้ไปพิสูจน์ที่ยอดขายยอดซื้อกระแสคนนะอรีวิวเท่าไรต้องไปดูเพจเขานงคนเขายังเออไม่ต้องขนาดนั้น ในตัวบทนี้อาม่าบอกไม่ท่านนบีบอกเชื่อและถ้าเชื่อแล้วน <t ix. S 2> ี่ปฏิบ <ix>. ัต <ini> ิอิงกุ้นจุ้งตาหลังมูลหากพรเจ้ารู้รู้นี่จากไหนเนี่ยสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยนะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเชื่อก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยเหตุผลว่าทําไมถึงคําสั่งให้ออกไปสู้รบที่ไหนมีบางคนที่ม่ยอม تجسنا م ر ي ك والله سبحانه وتعالى ا ل ل ه لو كان عرضا قريبا وسافر قاصدا لتبعوك ا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لا ك ذ ب و ن لو كان عرضا قريبا ห ا ก من بن ك م د ا أنت بعيد ผลที่ได้ใกล้ๆอารดอนอา ร, อารดอนผลผลอะก็ได้ผลประโยชน์กระรี่มันกรรี่ใกล้ใกล้ในบาฮีแต่ถ้าใกล้ในี่ะรี่มันเป็นผลใกล้เคียงใกล้ตัวหมายรวมว่าผลประโยชน์ที่ทําให้พวกมุนอาฟิตีนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมออกไปสู้รบเนี่ยเนือยากจะพัพกผ่อนเพราะกาศมันร้อนชน่วงฤดุร้อน อยากระพัก่อนไม่อยากจะตากแดดอ ย, อยู่ในบ้านใต้ร่มเย็นมีลําธารน้ามีมีต้นไม้มีอะไรนี่จะไปสบายมีผลประโยชน์ใกล้ตัวหรือผลผลิตของสวนอิมพัลลัมช่วงฤดูร้อนนี่ก็ช่วงเก็บเกี่ยวเขาต้องเก็บเกี่ยวอิมพัลลัมนะและฉวยโอกาสแดดร้อนนี่ตาอิมพัลลัมที่เรากินกันอิมพัลัมที่กินกันเนี่ยต้องตากแดดก่อนนะถ้าแต่อิมพัลัมสดสดเนี่ย ไม่เคยถึงบ้านเราถ้ามาถึงบ้านเราจะต้องใส่ตู้เย็นอู้แช่พาลำสดก็คงเคยเคยกินกันบ้างนะแต่ที่ส่วนมากที่เรากินกันเนี่พายลำแห้งที่ตากแดดแล้วต้องตากแดดอาทิตย์สองอาทิตย์อช่วงนั้นนะ่ะะก็คือช่วงช่วงชาวสวนที่ต้องไปเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวยาพายลำและโอกาสที่กันแดดกันร้อนนี่น่ะแดดหมดหาะขอแตกห่างว่า แต่ากว่าไม่ใช่ช่วงมันต้องดูรอบนี่นะอากาศหนาวแล้วก็อาจจะมีฝนตกไม่เหมาะสําหรับสําหรับไอพาริตพันธุ์เนี่ยอิพีรามเนี่ยไม่เหมาะนี่เป็นผลประโยชน์ใกล้ตัวขนาดนี้แต่เรื่องธรรมาฮาเกินของเราขนาดนี้และมัมมีกําลังเรียกเราใลยออกไปนู่นไปตะบูกนู่นตอนเหนือนของขับส ม, มุทรอาหรับมีห่างกันเป็นพันกิโลจะได้ไปตายกันที่นู่นนี่มุนาไมก็จะพูดกันแบบ แล้วก็องอริดักลบเป็นคนไปอยู่ใกล้ตัวเนี่ยว่รันาศัตรหรือจะเป็นการเดินทางที่สะดวกและใกล้แล้วไซไอเยมเอาละ่านบี้จะเรียกไไปก็ไปแต่ถ้ามันเดินทางนิดเดียวนี่ต่ออีฟมันก้าะไยนะยังพอไปได้จะลุนัดจะดูกลนะ มือนเพื่อนบอกว่าป่าไปกินกาแฟกันที่ไหนแถวสุขุมวิพอได้พอสู้ป่าไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปกินกาแฟมีแค่กินกาแฟในเราเอย่งคิดกันเลย น, นะถ้าจออกออกก็สู้มีโอกาสจะตายนะแน่นอนเป็นบททดสอบบทไข่หัวใจของคนเราไขา่แน่นอนต้องคิดหนักเลย และตาบาอูก็แน่นอนพวกเขาก็จะปฏิบัติตามเจ้าแล้วหมายถึงว่าถ้าเจ้าถ้าโอโุมมฮัมมัดเรียกพวกเขาในการเสียสละเล็กน้อยไม่ขัดกับผลประโยชน์ใกล้ตัวของเขานี่เขาก็าจะตามในเมื่อมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแสดงว่าบางคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเสียหายบ้างนะแต่บางคนจะสุดชีวิตนี้นะ น, นี้ไม่ใช่ทุกคน น, นี้ไม่ช่ทุกคน ว่นากินเบาจะอะไรที่มชุชกนี่นี่คือประเด็นนี่คือตัวแปรแต่ถ้าว่าระยะทางอันลำบากนั้นไกลแก่พวกเขาระยะทางสหาบาข้อครัวหนึ่งบ้านเขาอยู่ห่างจากมาสินนาบีอยู่ไกลหน่อยเขาต้องเดินละหมาดมาต้องเดินไกลนี่มาถึงมาสินนบี เขารู้สึกลำบากก็เลยไปหามซื้อบ้านใกล้มสัสซินนบีนบีรู้นบีรู้เจตนาเขาก็ดีแน่นอนเขาอยากจะอยู่ใกล้มสัสซินนบีจะได้ละหมาดสะดวกในการเดินทางคือถ้าเราถ้าเร า, ถ, าถ้าแบบเราคิดน่ะนะธรรมดามากแต่นบีเรียกซอบะา อุณมิเนีมับอกบอกว่าอาซารุคุมมัสฮาดิดุคุมอาซาโรคุมบอกว่าการที่ละมันมันสยิดขึ้น ข, นขนอยู่กับระยะทางคาว่าอาซาหมายว่ารอยเท้าอะนะรอยเท้าระหว่างบ้านของพวกเจ้ายันมสัสยิดนั้นอน่คือนี่คือผลและบน แต่บีพูดสัส้นๆแบบนี้เนี่ยต้องคิดหนักสิหมถึงว่ามาซื้อบ้านไกลบ้าสซิดนี่มันก็ดีดีจริงดีแน่นอนเลยสะดวกไงไม่ต้องเตรียมตัวก่อนเวลาเป็นนานๆต้องเตรียมอาบนันลมาจะได้ทำไปละมาี่บ้าริดน่แป๊บนึงก็ถึงลแล้วบีกลังบอกว่าบ้านไกลก็จริงลำบากก็จริง แต่รอยเท้าระหว่างบ้านของพวกเจ้าที่อยู่ใกล้แตงมาซิตอย่ยงรอยเท้าเนี่ถนยถึงนมสซิดนี่นะนั่นคือผลลบุญเทียบแล้วกับบ้านอยู่ใกล้มสซิดเนี่ยรอยเท้ามันจะน้อยมหมมันก็จะน้อยผลลบุนมันก็จะน้อยตามไปด้วยขอวรอบครัวนี้ก็เลยเลิกเลิกคิดที่จะซื้อบ้านใกล้มสซิตอยู่นี่คือตัวแปลเลยนะว่ลกากินเบ้าเด็ดอะไรยังมุชุก อะไรทางอันลัมบาอันลัมบาถ้านบีบอกระ่เาจะบว่าอินเมจรุมนอระิอบิกผลบุญของเธอนีขึ้นอยู่กับความลำบากที่เธอจะต้องต้องเจอผมเคยยกตัวอย่างคนขาปีคนอวัยวะไม่สมบูรณ์เดินมาที่มัสยิดก่จะถึงเนี่ยจะลำบากขนาดไหนกับคน เอาไว้สมบูรณ์มาเรานี่เดินมาคิดว่าพอมายืนซอกเดียวกันสองคนนี่ละหมาดผละบุญเท่ากันเป็นไปไเป็น ไ, ปไม่ได้คนนี่มีโรคคอบืนเดินมาเมื่อซิบนี่หายใจไม่ออกต้องพักบางคนเนี่บางทีต้องพาเก้าอี้มาด้วยนะเดินบ้างก็นั่งพักสักนึงก็เดินไปอีกก็พักหอก็บอีกคนหนึ่ง <c oughs> เดินนิดชิบชิบจิบจิบเล็กๆ็ ก, กน้อยน้อย เดินแค่นี้ยังมีปัญหาขึ้นมาละหมาดผลละบุญจะเท่ากันไห ม, ไมเท่ากันแน่นอนผลละบุญขึ้นอยู่กับความลำบากเช่นเดียวกันเก่นแท้ของอิมานนะั่นนะขึ้นอยู่กับการประสบกับความลำบากและไม่บุตนวัดเรื่องนี้ในสองในสองกรณีกรณีชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ชิ้นงานชิ้นหนึ่งอ่ะะชิ้นเดียวใช้เวลาไม่นานเป็นการอ่าเส่นกานลมาศอ่านกุรอ่านถือิ้นอดวันหนึ่งอะเลยวัดความอดทนของเราที่เราจะเสียสละเพื่อบรรลุผลละบุญที่เราต้องการจากงานชิ้นนี้เนี่ยถ้าบุญน้อยไม่บนเลยรู้สึกลำบากก็ยิงแต่อดทน และความลําบากนี่มันแปรรูปแปรรูปความลําบากแปรรูปเป็นความสุขนะท่านั่นคือความสำเร็จอันนี้รูปแบบหนึงนะ่งอีกรูปแบบหนึง่งวัดความอดทนของเรานี่ระยะยาวไม่ใช่ละหมาสุโบวันเดียวไม่ห้าปีสิบปีสม่ําเส ม, มอไหมเรียนตัฟซีรครั้งหึ่งครั้ง รปีสปีร0สปียีปีวัดกัน n บบนี้ถ้าวัอาลองซาวด์ดารตระยากาทนบีแล้วก็สุรุทุกต้นจนอายุร้อยปีก็เหมือนเดสมเสมอเสมอเสมอต้นเสมอปลายวัดตรงนี้ความลาบากสาหรับผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะกลายมันจะกลายเป็นเงีนไขเงีนไขของงานที่มีความสุข หมายถึงางานที่ไม่มีความลําบากนะไม่ค่อยอยากทําทําไมมันรู้สึกว่าเหมือนไม่มีบทดสอบว่าเหมือนอารม์ไม่ชอบงานแบบนี้งานที่มันสบายๆสยุขสบายแบบเนี้มันาไม่น่แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าความดีถ้าเราทําเรื่อมันไม่มีความลำบากจะเราทําทําแต่สําหรับผู้ศรัทธาที่ที่หนักแน่นในตรหนักในเรื่อง ทดสอบในเรืนี้นเขาจะรู้เลยว่างานที่ง่ายๆที่สะดวกเนี่ยไม่เขาจะไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยมีความสุขไม่เท่ากับงานที่มันมีความลําบากมีอุปสรรคแน่นอนคนละบุญมันมันต่างเต็มากั น, นพูดมุนาฟิกีนี่อัลลอฮ์ได้แฉแล้วนะเริ่มแฉละนี่อาญาเริ่มแฉแ وسيحلفون بالله لو استطعنا نخرجنا معكم ي و ل و ن أنفسهم الله يعلم ن ه م ل ك ا ذ ب ن وسيحلفون ل ق ج ن ا ل ل ه ك م ا أ س ب ا ن ت ا ل ل ه و ا س ط ن ا ه ن س ت ه ا س ع ه ا إ ع ن ا تها إ ذ ن ا تها إذا ا س ت ذ ا ا س ت ن ا ت ه س ت ط ع ن ا تها إذا استطعنا تها إذا س ت ع ن ا ا ع ا ه ن ا ا ا ن ه س ع ع ا ا แลารัชนาการอาตมแน่นอนพวกเราก็จะออกไปกับพวกท่านแล้วถ้าเรามีความสามารถนะทั้งนั้นนี่เขาเมีความสามารถเขารู้ว่าเขามีความสามารถและเขารู้ว่าท่านนบีรู้ว่าเขามีความสามารถคือโกหกสิงหน้าแบบเนี้ยรู้กับใจว่าเขามีความสามารถและรู้กับใจว่านบีก็รู้ว่าเขาในมีความสามารถแต่พี่บอกว่าเราไม่มีความสามารถที่จะออกกับท่านนบี เราอยู <test> ่ในกู้ในอัมพุสซงพวกเขากําลังทำลายชีวิตของพวกเขาเองหวังว่าหุยาละมูอินนำลกะดีบุบล้วรนั้นทรงรู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้กล่าวเท็จนี่แล้วรู้พวกเขาก็รู้ที่เขากำลังทนท่านนบีนี่กำลังสาบานเท็จนี่คือส่วนหนึ่งที่ตามหท่านนบีสุลลัลละวะเลืออุสลัม ได้บอกว่าอายต์ผู้นาฟิกทั้งสามสัญญากันาฟิกนี่สั่งบริษัทนั่นนั่นนะถ้าพูดแล้วเนี่ยโกหกโกหกทุเรื่องนะแม้กระทั่งหกในการสาบานสาบานเท็จรู้การสาบานเท็จเนี่ยเรีเรียกสาบานเท็จเนี่ยทั้งที่รู้นะแต่ถ้าสาบานเท็จไม่รู้นี่อันนี้ต้องถ่ายโทษผิดสาบานแต่ไม่มีบา ถ้าไม่รู้คือไปสาบานในเรื่องเงินแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันไปใช่อย่างนั้นแต่สาบานเทิศแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็ศนี้นะนั่นเรียกว่ายามีนงามสียามีนสาบานงาโมสจมสาบานจมทำไมเนี่ยนัมียวว่าอย่ามิตอรมิสุโสให้บบวิจารทำให้เจ้าที่สาบานเท็ศเนี้ยจมไปในนรกถูกมุดให้จมไปใน บาปใหญ่ถึงอุลมามะบางท่านบอกว่าสาบานเทศและรั่วเท็ศนี่นะอันนี้อัลลอฮฺไม่รับเตาบัด ม, มึงจะไปเคียงกันเคี่ยวมากเ ป, เป็นบาปใหญ่มากใครจะกล้าทําแบบนี้นะบาปใหญ่ขนาดนี้ี่มุนาฟิกมาสาบานเท็จต่อท่านนบีว่ากอรอฺมีความสามารถเราจะโอ้ก็เราไม่ไม่ไหวจริงๆ วันลาหูยาละมอินนะฮุมล็กอดิบุนแ้มื ا ا ن ن ่อกลวเขากำลังกล่าวทิศเขามาขอเขาอภัยจากท่านนบีแลวก็สาบานทิดให้นบีเห็นใจเขาสรุปแล้วว่านบีไม่อยากจะไม่อยากจะปวดหัวกับเรื่องนี้อะไรให้อภัยเขาไปแต่พระผดว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะมาทบทวนเรื่องนี้กับท่านนบีสุล เพรอนุ่ไม่ม่ควรที่จะทําแบบนี้แต่สํานวนที่อัลลอฮ์ในทบทวนเรื่องนี้กับท่านนุ่มซาลลอห์สลับอันนี้มันจะเป็นยังไงอยู่ในอายะถัดไปแต่ไม่มีเวลาละก็ต้องยกยอดไปอาทิตน้าอาทิตย์ถัดไปนะครับทุกท่านอังคารหน้าก็คือวันอัลก็เชิญพี่น้องไม่มีแต่ซีดนะแต่เชิญพี่น้องมาละซีดออดด้วยกันนะครับถ้าใครสะดวกนะ ถ้าใครสมมตมาละเส้นอดด้วยกันเผ่อถ้ามีอะไรจะช่วยทีมงานด้วยได้เตรียมสถานที่สําหรับการละมาแล้วหมอต่ายดูแลตาอังคารน่าจะเป็นอุณหภูมิใช่ไหมวันกุนุก็จะเป็นมลิตรอังคารถัดไปนะครับคุณสก็น่าจะพ้นสามมวลตัชริกด้วยก็อังคารที่จะถึงนี้หมดนะแล้วก็วันอังคารถัดไปนะครับคุณส จริงขนาดไหมครับทําอิบาดะในที่แบบเป็นที่ส่งเสริมมากๆทีคนจะทำสิ่งต่ๆของสิ่งต่างๆแล้วมีไม่ไดเจาะจงนะและมีไม่ได้เจาะจงแล้วมีบอกลอัลมาโนุซ่ไม่มีการงานที่ดีที่เป็นที่รักที่นองซึ่งอัลมามนุซ่ล่ะเนี่ยอันนี้ข้อข่มทุกทุกการงานแต่ในการเปรียบเทียบระหว่างการงานทั้งหลายเนี่ยมันก็ลำดับการที่ ทางดีการที่ในศาสนาอันนี้มีตัวตนสุดยอดการงานสุดยอดในอิสลามนี่ก็คือ jihad jihad นี่นหมายถึงกาต่อสู้ในหนทางของเราถ้าเราไม่สามารถต่อสู้ในหนทางของเรก็ต่อสู้ในทางเราในรูปแบบในรูปแบบที่ถัดไปในการปกป้องอิสลามด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดถ้าไม่มีในกรถัดไปดูเรื่องอื่นเรื่องถัดมาในอื่นละหมาด ن ا م ي ب ق حدث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة سولكني سولك كل ما وذروا س ن ا م ا ل جهاد في ز و ج ا ت ه إسلامك الجهاد تضمنك كان سينوت ا ل ي س بندو رقم ا ل ث نبيه عليكم ب ص و ا ف إنه لا د ل ه ثم س ن و ت ث ر س ن ت س ن د و م و س ن ا ن فإنه لا د ل ه من يعرض ي بدأك เท่ากับการตีสิบถัดมาก็คือเรื่องโดกอเรื่องโดก่ออลมบางท่านบอกว่าที่เลิกปนีทั้งหมดนี้ก็คือสิงุรลอว่ะิุ่รลออัคบัร์อับัร์สิุใหญ่กว่าใหญ่กว่าลมาอินนสละตันวาชยงก็ว่าสิงุรุละอักบร์ใหญ่กว่าการละมาถ้าละมาดีฐานมาจากจีนี่แสดงว่าสิุ่ละนี่อิ่งกว่า لدولاني باركين من كان جهان يجزيك الله يعني ا ل ذ ي إذا نقيتم فيها ف و و ا ذ ك ر الله كثير هاي كلام ل ت ت الله نحن ت م ج ا د سريعا ذ ك ر الله زي من ب ا ر ك ي سمعت وسمع باي ما يذكرني أي ولا ما بنت نبأ ذ ك ر الله وجانا س ي ب و ن ر أ نيس أ ح ب ا ن خ ج ن تكبير لما لدت الله تكبير الله أكبر الله أكبر ลาอิลลาฮิลลอฮฺ والله ับุรลลอฮฺับุรุัยลฺฮสมุนอินกาเนย์ลาอิลลาฮฺบรุลลอฮฺับุรุลกายนแสดงว่าพมนเปนที่เสียสละสักางเดียวแล้วที่ฟังฟอง่างข้ากและร่างกายแต่ไม่ออกเร็วไม่ดีครับ ที่บริจาคก็มีที่มาละหมาดมุนาฟิกที่บริจาคก็มี ม, มาละหมาดก็มีมุนาฟิกที่ออกไปสู้รบกับท่านนาบีก็มีแต่เขาไม่ได้สู้รบเพื่ออาะไรไงสู้รบเพื่อไม่ให้ถูกกล่าวหาาโอ้นี่ขนาดนาบีเป็นพักวกเดียวกันแล้วก็ไม่ปกป้องได้ไงเขาไม่ได้ปกป้องนบีเพราะปกป้องศาสนาปกป้องนบีจะได้ไม่โดนกล่าวหาวโอุ้ฮามัดดีมาถึงม า, งมาดีน่าแล้วก็โดนลังแกได้ไงไม่ได้เป็นพวกเราอันี่แค่นี้นี่มุนาฟิกแบบนี้ก็มีอืม เเจตนาของเขานี่ไม you know ่เหมือนเจตนาผู้ศรัทธาในการในการเสียสละในการทำความดีครับพอาามเี่ยวกับการอิดถ้าเราโดยเลือ้ทที่เราวางอ่านมากกว่าเนี่ยโดยที่เราะิตามพุทเราจะมีไม่เราต้องเข้าใจนะ ว่าการที่ผูกมัดระหว่างระหว่างการถือสิ้นอดโดยทัศนะเดือนท้องถิ่นหรือเดือนต่างถิ่นผูกมัดกับเรื่องการเชื่อฟังผู้นำเนี่ยอันนี้ไม่มีที่ไปที่มาทั้งตัวหมดและกับทศนันเป็นทัศนะที่อ่อนมากใ น, ก น, ออกนี่มัสชาบีอ่อนมากเขาไม่ได้บอกแล้วนะให้ตามฮิลานุนเลียแวเขาไอกให้ตามผู้นําอย่างเดียว ซึ่งทัศนะนี้เนี่ยนะมัดหมายรวมแม้กระทั่งที่เขาบอกว่าให้ตามผู้นําเนี่ยเขาไม่ได้หมายรวมว่าให้ให้ตามผู้นําที่ยึดทัศนะท้องถิ่นนะเขาบอกฟังผู้รู้เขาบอกว่าตามผู้นำอย่างเดียวถ้าผู้นําบอกว่าเอาฮิลาลสากรนี่ก็ตามเหมือนกันก็แสดงว่าทัศนะของเขานี่คือตามผู้นํามีไม่ในอิสลามในมัจลัมเนี่ยตามผู้นําไม่ตามฮิลาลไม่มีนั่นมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งตามยึดท้องถิ่นทเรื่องมักหลานไะม่ยู่ท้องถิ่นเด้วยนะ การแสดงการตั้ง ม, ม็อ่ะการแสดงการสอนนี่ก็คือเห็นที่ไหนนี่ก็เอาอ่ะนี่แสดงที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแต่ตามผู้นํานี่ไม่มีเพราะมันมันมันไม่มีมาตรฐานน่ะไอ้ที่บอกว่าแต่ตาผู้นําคือจุฬาใช่ไหมบ้านเรานี่จุฬาใช่ไ <c oughs> หมอานาเขตอำ น, นาจของจุฬาเนี่ยก็คืออธิปไตยของของแผ่นดินสยามใช่ไหมพอคม บัต u ังเปซาไปแล้วเนี่ยมีมุสลิมมาลายูอยู่ที่มเลเียนะ้ามเชื Wha ่อฟังตุลาแลมุสลิมที่อยู่บัตังเปซาในฝั่งไทยเลยและห้ามเชื่อฟังตุลาของมาเลอิสลามมีนี้เคยเคยมีใครเคยังเซาไปเคยรัวน่ะรัวนเมตรน่ะเหมือนรัวเหมือนรัวที่ผมกลังจะทอยู่เนี่ยเมตรน่ะเเราาแ่ดินได้กับกับกับมาเล แต่นื้นว่าคนที่อยู่ฝั่งนี้กับอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคนนี้เห็นฮีลานแล้วคนนี้แล้วคนนี้ก็เห็นนะสองคนนี้เห็นแะนะแต่จุลานีบอกว่าเอาจุลานี่บอกว่าไม่เอาช่วยเลยไอ้คนนี้เห็นแนะสองคนนี้เห็นที่เดียวกันนะนะตามกันไม่ได้เพราะอะไรเชื่อฟังผูนะ้นำอิสลา ม, มีแบบนี้นะมั้ยเล่นีม่ไคือถาว่านี่คือคําศัพท์คําสอนของอิสลามหนือเขาบอกว่า น, นี่มันจะอิสลามแนะ่ แตจะใช้ปัญญานิดนึงเราผมจะจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่มีตะกะไม่มีเหตุผลอะไรเลยแในเมื่อทุกตัวบทนี้เรื่องการเดินิ่นนีผูกมัดไว้กับบิลละสนพกรรู้ยะีอัฟเตอรอแนอาะล้คิตัวตัวบทรอะกเบิลลทั้งนั้นนะมีเอาที่ไหนเนี่ยตัวบทนี้ที่วากูเชื่อฟังผู้นามีตัวบทเดียวไปทว่าทั่วไปจงเชื่อฟังผู้นาไม่ได้เจาะจงเรื่องการเดซินโ เด็กบอกว่าเอาตัวบทนี้นะวออิตีอัลลและอัลอลวมปากอัลลลกูนำมาเียื่ให้หมดสิเชื่ให้หมดไม่ใช่เาาพเือที่มันไสอื่นนี่ก็เอามาใช้แต่เรี่ตัวเองเนี่ยโอ้นัตะเลลกะทอมัตะเลเลยนี่อันนี้อันนี้มีะมักรูอันนี้ ผมวาผมว่าไม่ใช่หร ก, กระแสะแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่กระแสะวิชาการเป็นเป็นกระแสะเรื่องยกพักขึก้นเหมือนกระแสะสถาบันเทคโนลมากกว่าพวกเราพวกมันเราจะยอมมันได้ไงอเนี่ยผมว่าอนเนี่ยแต่มันเป็นนิสัยบานเราอยู่ด้วยพวกนู้นกับพวกนี้ก็ซึ่งเหมือนไม่ใช่ แต่เาบอกว่าไอ้เลิกเลิกที่สใยแบบนี้เลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องภาพหรือพวกหรือร อ, อะไรไม่เกี่ยวกัน hmm. เพราะทิจริงเนี่ยในมัสยิดช افي ีเองนี่ยก็มีทศนัเดินสะพานีนะแล้วก็อุลามารุ่นหลังในอินมามนาวีเหมือนมุรฟีอัยดังฮึจนเป็นสองอุลามาอุสูรที่มีชื่อเสียงในมัสยิดเนี่ยเขาลลเนี่ยได้ให้น้ำหนักกับทศนะที่เอาเดินท้องถิ่นมันก็เลยกลายเป็นมัสยิดช افي ีโดยทางการ แต่ที่จริงในมัสยิดชีนั้ก็มีทัศนคติอิหม่ามชีที่เอาเข้าเีรสาโอนเหมือนกันจึงไม่ควรที่จะบเพื่อเอามัเอาตายหรอขนาดนั้นนะเพราะในมัสยิดนี้ก็มีขีลาดอยู่ด้วยครับขอเสเรื่องครับอะไเรื่องของผมครับถ้าผมใส่รองเท้าอ่านรูปข้อแล้วผมอ่านแล้วหมั่นโดยการรูปที่องเท้าเนี่ยจได้ประเมินก็ไปของรองเท้า อุลามะส่วนมากเนี่ยอยู่เนี้อพระคัมภีร์ที่ตอนมุสลิมเนี่ยแล้วพอมาถึงช่วงที่ซาบะเขาจะรินจะีทน้าให้นบีล้างเท้าเพราะว่านบีผมก็ไม่ต้องให้อดเขินตูหูมะต่อเทาเตยไม่ต้องล้างข้าพเจ้าจะเช้เดียนเดียวก็ข้าพเจ้าล้างเท้าให้มันสะอาดแล้ว ทอด น, นี้เนี่ยโก็ตีความกันเยอะเลยนึ่ไในสิ่งที่ก็ตีความเลยเนี่ยก็นี่ไงท่านไหนว่าเอาไม่ต้องล้างแล้วแสดงว่าในบีของไม่